ก อ, อนอบน้อมคุณพระรัตนกรยัยก็กราบครูบ า, าอาจารย์ก็กราบพระอาจารย์ไผศารพระอาจารย์ทรงเสด็พระอาจารย์มานุกนแล้วก็พระพันเตยพึงถึงสาธรรมมิตรทุกท่านแล้วก็เจริญพรแสวงก็ขอกราบทุกท่านเนาะจริงๆครูบาอาจารย์ก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเราเราหมดแล้วอันนี้ก็แค่ถือว่ามาเป็น มาพูดตามที่คำานมาจริงๆเรื่องของธรรมะนะก็คือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังที่ครูบาอาจารย์บอกเราธรรมะถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเราก็จะปฏิบัติไม่ได้เพราะจะเป็นผู้รู้เองไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้เองเห็นเองเข้าใจเองท่านรู้แล้วท่านกัดจารู้แล้วก็มาบอกพวกเราว่า สิ่งที่เราต้องรู้ตามที่ท่านสอนคืออะไรนะก็คือถ้าเราเย่อเยาอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังก็คือให้เรามารู้เรื่องกายเรื่องใจของเราเพราะว่าเรื่องกายของเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยมันแสดงธรรมได้ทุกอย่างนะแล้วก็เจ้าตัวก็จะเป็นผู้รู้เองเห็นเอ ง, เองว่าธรรมที่เขาแสดงเนะ่มันมีอะไรบ้างอย่างภาษาบัญญัติที่เราเรียกกันว่า สภาวะธรรมเนี่ยก็คืออาการนะอาการที่เกิดขึ้นกับกายอาการที่เกิดขึ้นกับใจมากมายนะอาการทางกายเยอะแยะไปหมดเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวปวดเมื่อยเจ็บอะไรเนี่ยก็คืออาการนะอาการทางใจก็คือเรื่องของอารมณ์ทางใจอารมณ์ต่างๆก็มากมายนะทั้งที่รู้จักชื่อทั้งที่ไม่รู้จักชื่อ ความรักความโกรธความโลภความหลงความเบื่อความเส็งความขี้เกียจความลำคาญความหุดหงิดความไม่รู้อะไรเรียกไม่ถูกเยอะแยะไปหมดนะอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาการไม่มีใครรู้ได้อาการเนี้ยหมายถึงว่าคนที่อยู่นอกตัวเอ่อหมายถึงว่าผู้ที่รู้ได้ก็คือเจ้าตัวนั่นเองคนอื่นจะรู้แทนเจ้าตัวไม่ได้การรู้ทำยังไงถึงจะรู้สิ่งนี้ก็คือ อย่างน้อยก็สองอย่างต้องฟังบ่อยๆเมื่อฟังบ่อยๆมันก็เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลที่ทำให้ระลึกได้ขึ้นมาว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยมันก็ระลึกได้ขึ้นมาเช่นเราเคยได้ยินว่ามเมื่อโกรธก็รู้เมื่อรักก็รู้มเมื่อเบื่อก็รู้มเมื่อเสงก็รู้อันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้ยินได้ฟังเพราะนั้นเมื่อมีสภาวะเกิดขึ้นเช่นมันมันเบื่อจริงๆมันโกรธจริงๆเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยสติก็จะมา รู้มาเห็นสิ่งนี้ทีนี้ถ้าสิ่งนี้เกิดบ่อยๆมันก็ยิ่งเห็นบ่อยเช่นกโกรธบ่อยๆก็จะเห็นความกโกรธบ่อยๆนะเบื่อบ่อยๆก็จะเห็นความเบื่อบ่อยๆแต่ถ้ามันไม่มีโกรธแล้วจะเห็นอะไรมันก็เห็นโกรธไม่ได้เห็นะถ้าไม่มีเบือ่อมันก็มาเห็นเบื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาวะธรรมที่มันแสดงให้ดูเนี่ยมันจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นต้องเกิดก่อนนะ เมื่อมันเกิดแล้วก็รู้ก็เห็นนะอย่างบางทีเราปฏิบัติทําใหม่ๆเนี่ยเราพยายามสแสวงหาสภาวะธรรมบางอย่างซึ่งมันไม่ได้มีอยู่เพราะฉะนั้นเราหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอใช่ไหมอย่างเราอยู่วัดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสมมติหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราปฏิบัติธรรมบอกว่าจะดูความโกรธทีนี้มันไม่โกรธอ่ะก็หาอยู่นั่นแหละโกรธเป็นยังไงมันอยู่ไหนมันก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหา เขาแค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นนะมันรู้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คือรู้เมื่อ น, นั้นมันไม่รู้ก็ผ่านไปนะมันไม่รู้ก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าเราฟังธรรมบ่อยๆนะประกอบกับการปฏิบัติมากๆเนี่ยมันมันไม่ยากเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่ในใกายในใจของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะมันไม่เคยหายไปไหนแล้วมันมีอยู่แล้วแล้วก็มันก็จะโชว์ขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัย ตามเหตุตามปัจจัยอย่างเช่นความความเย็นความหนาวนะตัวอย่างเอ่อถ้าวันไหนที่มันเป็นอากาศเย็นเนี่ยเราไม่ต้องหาหรอกว่าความเย็นมันมีหรือไม่มีมันก็เย็นอยู่แล้วนมันเย็นที่ไหนมันก็เย็นอยู่ที่กายกระทบสัมผัสหรือว่าแดดแดดออกแบบจ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องหาว่าความร้อนมันเป็นยังไงนะพอมันแสงแดด ก, กระทบกับกายมันก็ร้อนแล้วแล้วก็รู้แล้ว มันเป็นแบบซื่อตรงแบบง่ายๆตรงไปตรงมาเพราะนั้นตรงนี้เรามองเห็นว่าการที่การปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันจะง่ายแล้วก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องต้องทำอะไรอะ่ะมันมีแค่รู้รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่า น, านทีนี้เรื่องอารมณ์ทางจิตเนี่ยบางทีมันก็เป็นธรรมดานอะอย่างเช่นความอารมณ์บางอย่างที่เราไม่พอใจเนี่ยเราไม่ชอบมันจริงๆ เช่นอารมณ์โกรธนี่พอโกรธขึ้นมานี่มั น, ม, นมันไม่อยากให้ไม่อยากให้มมีอารมณ์เนี้ยเกิดในจิตทีนี้ทําไงได้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมมันทําอะไรไม่ได้หรอกมันกรธก็คือโกรธนั่นแหละถ้าเราไปอยากให้มันหายเมื่ อ, อไหร่นั่นแหละเป็นปัญหาขึ้นมาก็เป็นทุกซ้อนขึ้นมาทุกซ้อนทุกครูบาอาจารย์ท่านก็พูดอย่างชัดเจนแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นก็ศักดิ์แต่รู้มันนะอย่าไปผักใสอย่าไปไล่ส่งอย่าไปอะไรมัน ทีนี้ทํำยังไงถ้าสมมุติความโกรธเกิดขึ้นนะแล้วมันไม่ชอบก็รู้ว่ามันไม่ชอบแล้วทํำยังไงถ้าสมมติมันดันไปผักครับว่าบังเอิญมันไปผลักใสเข้าแล้วไงเพราะมันไม่ชอบก็รู้ว่ามันผักใสเนี่ยน้ยตรงไปตรงมาชื่อๆตรงๆนะคือให้ตามดูตามรู้ตามเห็นอาการของจิตเนี่ยพฤติกรรมของจิตว่ามันมีพฤติกรรมยังไง มันชอบก็รู้ว่าชอบมันไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบเพราะนั้นให้มีสติสติก็คือตัวรู้ตัวเห็นนี่แหละจริงๆอมันเห็นอยู่แล้วนะในในทุกคนนะ่ะเพียงแค่ว่าเราอาจจะยังไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันเห็นแต่จริงๆมันเห็นอยู่แล้วเพราะว่าลองสังเกตเวลาใครเจออารมณ์อะไรเนี่ยมักจะเล่าอะไราเล่าได้ถูกหมดเลยเช่นได้ยินเสียงคนนั้นแล้วรู้สึกมันไม่ชอบเออ คนนั้นพูดอย่างนั้นแนละ้วรู้สึกชอบใจเนี่ยเท่ากับไปเห็นมาหมดแล้วว่าเออมันชอบหรือมันไม่ชอบเราพูดได้หมดอะ่ะเออแต่ว่าพอให้เอาให้เห็นก็จริงๆความรู้สึกทำไมเราเห็นไม่ได้แต่เวลาเราสื่อสารออกมาเนี่ยมันก็เห็นหมดแล้วใช่ไวันนี้ร้อนจังเลยวันนี้เบื่อจังเลยเซ็งจังเลยอะไรมากมายเนี่ยเราพูดได้หมดเลยใช่ไหม หรือบางครั้งเนี่ยมันก็มีมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็ประสบกับอาตมาเองก็คือว่าตอนปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนก็อาตมาก็เรียนของทางสายหลวงพ่อเทียนนี่แหละแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราเรียนแนวทางแบบนี้นะให้เราตัดความสงสัยให้หมดเลยไม่ต้องไปสงสัยเพราะว่าครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็เห็นผลมาแล้ว ไม่ต้องสงสัยว่ามันปฏิบัติแล้วมันจะได้อะไรมันยังไงมันดีหรือไม่ดีแค่วางไว้เลยแค่ให้ปฏิบัติคือรู้สึกตัวไปบังเอิญดีอย่างว่าตะมาก็เชื่อตรงนี้ไม่ไม่ได้คิดสงสัยว่ามันผิดมันถูกยังไงก็ทําไปเรื่อยๆแต่มันมีประโยคหนึ่งที่ครูบาอาจารย์บอกว่าทําไปเดี๋ยวก็รู้เองตรงเนี้ยก็คือปัญหาปัญหามากคือเราไม่รู้เพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้ฟังธรรมเยอะเราฟังแค่นิดหน่อย แล้วคำว่าปฏิบัติไปเดี๋ยวก็รู้เองเนี่ยคือมันไม่เข้าใจแล้วรู้อะไรอ่ะคาว่ารู้เองอ่ะมันรู้ไม่ได้แต่จริงๆน่ะมันรู้ไปหมดแล้วแหละเพียงแค่ว่าเราไม่รู้ต่างหากว่าเรารู้แล้วทำไมเราไม่รู้ว่าเรารู้แล้วก็เพราะเราไม่เราไม่ได้ฟังให้มากเช่นอาจารย์บอกว่าเอาไปเดินจงกรมไปสักครึ่งชั่วโมงเราก็ไปเดินมาเดินกัน ก็ได้เวลาตามนี้ปรากฏว่าอาจารย์ถามว่ารู้อะไรบ้างบอกไม่เห็นรู้อะไรเลยแต่ว่ามันมันเหนื่อยมันเบื่อมันขี้เกียจมันง่วงบ้างอะไรอาจารย์ก็ยิ้มยิ้มเพราะสิ่งที่เราพูดนั่นแหละสิ่งที่เราไปรู้มาแล้วทั้งนั้นเลยเบื่อก็ดีปวดเมื่อยก็ดีง่วงนอนก็ดีเนี่ยมันรู้หมดแล้วเรารู้อยู่แต่เราไม่รู้ว่ารู้นี่คือปัญหาแต่ทีนี้พอเราฟังทำมามากๆ ครูอาจารย์ก็บอกว่ามันไปรู้สภาวะธรรมปวดก็รู้ร้อนก็รู้เย็นก็รู้เบื่อก็รู้อ้าวอย่างนี้มันก็ง่ายดีเพราะว่าธรรมะมันก็แสดงให้เราดูอยู่อยู่ดูบ่อยๆใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ไปอเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือเป็นเรื่องเรื่องอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องไหนเป็นเรื่องเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป มันก็เป็นวัตจักรของมันอยู่อย่างเนี้ยเพียงแค่ว่าเราอย่าเข้าไปเป็นอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านบอกกันเนาะเห็นมันอย่าเข้าไปเป็นอเห็นมันอย่าเข้าไปเป็นฟังแล้วก็ดูเหมือนง่ายเพราะส่วนมากพอพอมันมันเกิดขึ้นมันก็เข้าไปเป็นทุกทีใช่ไหมอย่างเวลาง่วงอย่างเนี้ยโหมันขี่คอเลยมันกดเลยเข้าไปเลยก็เป็นผู้ง่วงเป็นหลับไปเลยทีนี้ถ้าออกมาทํำยังไงเมื่อมันง่วง อย่างน้อยก็ต้องเห็นง่วงก่อนอ่เมื่อเห็นง่วงแล้วก็ออกมาก็คืออย่าไปอยู่กับมันก็หมายความว่าอาจจะมีวิธีการโดยที่ให้เกิดความรู้สึกตัวทางร่างกายก็ได้ร่างกายมีการเคลื่อนมีการโยกมีการทําให้มันแรงขึ้นเนี่ยแล้วก็ความง่วงมันก็อยู่ส่วนหนึ่งใช่ไอมความง่วงก็อยู่ส่วนหนึ่งการเคลื่อนไหวก็อยู่ส่วนหนึ่งตัวเห็นก็อยู่ส่วนนึ่งเนี่ยสองสามส่วนแล้ว ตัวเห็นก็คืออะไรเห็นง่วงส่วนหนึ่งเห็นตัวเองร่างกายไหวๆก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นอาการที่การรับรู้ที่มันรู้น้อยๆเนี่ยมันไม่ค่อยรับรู้เนี่ยก็เห็นอีกว่าโอ้จิตมันไม่ค่อยทำงานแล้วมันไม่ค่อยรับรู้แล้วก็เห็นอีก müs? ทีนี้พอเราเหวี่ยงกายมากๆให้กายไหวๆมากเข้าเนี่ยความง่วงมันก็อยู่ไม่ได้ความง่วงก็หายไปเมื่อความง่วงหายไ ป, ยไปก็รู้อีกว่าความง่วงไม่มี เพราะนั้นจิตเนี่ยมันก็จะรู้จักถึงความมีหรือความไม่มีความว่วงมีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่ความว่วงไม่มีอยู่ก็รู้ว่าไม่มีอยู่ก็สักไปรู้อาการอื่นๆมันก็เหมือนกันนะมันมีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่มันไม่มีอยู่ก็รู้ว่าไม่มีอยู่ใช่ไหมพวกนี้เรื่องของสติปักฐานทั้งนั้นเลยเรื่องความมีอยู่ไม่มีอยู่รู้ก็เป็นแค่รู้ สิ่งนั้นมีอยู่ก็เพียงเพื่อรู้สิ่งนั้นมีอยู่ก็เพียงเ พ, เพียงเพื่ออาศัยเป็นที่ระลึกแค่นี้มันก็ไม่ติดอะไรอะไรแล้วใช่เพราะนั้นเราปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะให้ดีหรือไม่ให้ดีเพียงแค่เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมนะอันนี้คือการเจริญปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมว่าสภาวะธรรมเนี่ยมันมีมันมีลักษณะสามอย่างที่เราเรียกว่าพระไตรลักษ คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนตรงเนี้ยเรียนให้มากเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้สงบแล้วก็อยู่กับความสงบและสบายไม่ใช่อย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ออกจากทุกข์ให้ออกจากสุขนั่นหมายความว่าเราจะต้องพ้นทั้งทุกข์ทั้งสุขพ้นทุกอย่างการพ้นได้ก็คือมีความมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัว คราวใดที่มีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวที่มีกําลังเนี่ยจะหลุดพ้นไปทุกทุกครั้งไปมีทุกขก็พ้นจากทุกมีสุขก็พ้นจากทุกจากสุขมีหลงก็พ้นจากหลงมีโกรธก็พ้นจากโกรธมีแต่พ้นท่าเดียวอันนี้หมายถึงที่มีสติสัมปชัญญะที่มีกําลังซึ่งเรากําหนดไม่ได้บางครั้งมันมีกําลังมากบางครั้งมันมีกําลังน้อย เราไปสั่งให้มีกำลังมากกำลังน้อยไม่ได้ขอยกตัวอย่างเรื่องสติสัมปชัญญะที่มีกำลังมากที่มันเป็นเองนะมันเป็นตามธรรมชาติไม่ต้องไปทำสมมติอันนี้สมมตินะยังไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงต้องไปดูเอาเองสมมติว่าเรากำลังเดินอยู่แบบกำลังคิดเพลินๆใจลอยนะใจลอยตอนใจลอยเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่รู้แล้ะเราหลงละเข้าไปอยู่ในความคิดลว เป็นรู้เรื่องนู้น ร, รู้เรื่องนี้ขึ้นมาเพราะความหลงสภาวะหลงก็มีอยู่จริงขณะใดที่หลงก็คือไม่รู้ตอนนั้นคือไม่รู้ว่าหลงแต่จู่ๆขึ้นมายิ่งอย่างตอนเนี้ยสมมติฝนตกในวัดก็ลื่นโยมเดินใจลอยอยู่แล้วก็โยมก็ลื่นพอลื่นเสร็จงนะตัวโยมก็เซ่ใช่ไหมเซเสร็จอาจจะล้มขึ้นมาพอล้มมันเกิดอะไรก็เกิดการกระแทก กระแทกที่ก้นก็ดีกระแทกที่มือก็ดีกระแทกตรงไหนก็ดีตรงกระแทกตรงเนี้ยจิตเนี่ยมันจะกลับมารู้สึกที่ตัวที่กายเพราะจิตเนี่ยอารมณ์ตรงไหนชัดจิตจะต้องไปรู้สึกที่ตรงนั้ น, นการกระแทกแรงๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่าสะเทือนจิตก็เกิดมาการรับรู้ที่กายที่กระทบสัมผัสกับพื้นอะไรก็แล้วแต่ ขณะที่จิตกลับมาตรงนี้แหละนั่นแหละตรงนี้แหละมันจะทิ้งอารมณ์เก่าจะทิ้งความหลงห้งหมดเลยตรงนี้จะเป็นความรู้สึกตัวขณะจิตหนึ่งนะแล้วก็ขณะที่รู้สึกตัวตรงนี้ชัดมากก็จะเห็นสภาวะธรรมสิ่งที่เพิ่งดับไปสดๆรด้อนๆก็คือความหลงดับไปก็เป็นความตื่นรู้เกิดขึ้นนะแต่ด้วยสภาวะธรรมที่มันเกิดดับอย่างเร็วเมื่อรู้แล้วอีกหน่อยมันก็หลงอีก เช่นหลงไปว่าถนนลื่นจังนี่หลงไปคิดอีกแล้วเราไม่น่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็หลงอีกนะแล้วก็หลงตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นรู้เมื่อไหร่ก็จนกว่าจะรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นหลงกับรู้เนี่ยมันก็จะเป็นเกิดดับอย่างนี้จะหมุนเวียนไปเรื่อยหลงนานๆก็ไม่ได้เพราะทนสภาพการหลงนานไม่ได้รู้นานๆมันก็ต้องดับมันก็ทนสภาพการรู้ไม่ได้มันก็เกิดดับก็เร็วนะมันก็เร็วมาก อันนี้ลองลองไปสังเกตดูอย่างเรื่องที่พูดเมื่อกี้เนี่ยต่อให้เรามีความทุกข์สุดๆกำลังทุกข์มากเลยแค่เราตื่นรู้จากการกระทบสัมผัสจากการลื่นก็ได้จากการอะไรไปชนตรงไหนก็ได้จิตกลับมาที่ตัวหมดเลยแล้วมันก็จะทิ้งอารมณ์เก่าในขณะจิตหนึ่งขณะทิ้งตรงนั้นนหะอารมณ์เก่าดับไม่เหลือดับหมดอันนี้ก็เป็น ความรู้สึกตัวเขาเรียกว่ามีกําลังแล้วเป็นเองเราไม่ได้สร้างให้เป็นเราสั่งไม่ได้แต่มันเป็นด้วยเหตุปัจจัยของมันนะแล้วธรรมะอันเนี้ยมีอยู่แล้วจริงๆเพียงแค่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นอันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็สมรรมะจริงๆพูดเยอะก็ไม่ได้เนาะนิดๆหน่อยๆก็พอเป็นต้นทางแล้วก็ไปทําเอาเองนะก็ ก, ก็ขอจบเสียงเท่านี้ ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะภะคะวันตังอาภิวาสินสาวกาสโตภะคะวะตาธรรมโนธมังนราสัมมิตุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกัสตังโฆ ข้างทางน้ำมามบี